ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทัลายและหลงปู่โพธิญาณในวันนี้ก็นําเสนอเรื่องท่านปัญจวัคคีย์ทูลขอบรรพชาบุตสมบุรคือท่านอญญากลอนย่ญญาได้ดวงตายหนธรรมแล้วก็ได้มารู้ธรรมได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันยิ่งแล้วอันอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยตึงความเป็นผู้กล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาดูทูลคานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าโรงข อ, งขอพึงได้บรรพชาพึงได้วรสมบทในสำนักของพระภูมีพระภาคพรงพุทธเจ้าข้า ประเด็นตรนี้เป็นการแสดงถึงสถานะของพระอัญญาโกรธัญญะซึ่งเป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันคือได้เห็นธรรมแล้วเห็นธรรมในที่นี้แปลว่าธรรมมาจากสุขหรือได้ดวงตายห็นธรรมผลจากการได้ดวงตายิ่งธรรมของท่านนั้นเราสามารถจะมองผ่านได้สี่ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือ ละสังโยชน์ได้สามประการคือสักกายติฏฐิความเม็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนจึงถือว่าเป็นด่านสำคัญที่แยกตัวเองออกไปจากโลกเพราะว่าจับใดที่ยังเป็นโลกอ ย, อยู่นั่นจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขา แล้วก็เป็นตัวเป็นตนของเราตัวตัเป็นตัวเป็นตนของเขาโดย่ขวายยิ่งคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นจะมีอํานาจอิทธิพลที่รุนแรงและนําไปสู่การเข่นข่าทําลายล่างกันเป็นศึกสงครามกันก็เพราะว่ารู้สึกเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับอีกควาเนอร์จะต้องถูกทําลายไปโดยขวายตนจะยังคงอยู่ดังนั้น พระสโสราบันท่านจึงทำลายสักยาติธิความเห็นเป็นเอือตัวตูวตวตวตวนตนลงไปได้แล้วก็ทำลายวิจิกิชาคือความเครียอแครงสงสัยไม่แน่ใจในคุณของรัตนนตรัยในใจสิขาตลอดทั้งในชีวิตอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการได้ ศีลปัสตรามาคือการถือมั่นโดยศีลรือวัตถุข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจกันมาจนเคยชินนี่ก็มองจากการละสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ไว้จึงลักษณะอยู่ลึกนะหรือถ้าเกิดคุ้มรุ่มใจท่านเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่านินวอนแต่ว่ามันเกิดอยู่ข้างล่างเรียกว่าสังโยชน์ กิเลส ท, ที่ปลุกใจสัตว์จูก็เป็นกิเลสชั้นหยาบชั้นกลางอันนี้เรียกว่าชั้นละเอียดประการต่อไปก็คือว่ามองจากปัญญาของท่านปัญญาของท่านก็สมบูรณ์เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์หรือทิฏฐิคือความเห็นถ้ามองจากไจศีรษา ศีลของท่านก็สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณจะเป็นศีลที่เกิดขึ้นด้วยองค์มรรคหมายความเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปสมาทานเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดคือไม่ต้องสำรวมระวังในศีลต่อไปนะฮะคือมันสำรวมระวังโดยอัตโนมัติการเคลื่อนไหวของท่านก็เป็นศีลไปโดยธรรมชาติธรรมดา แล้วก็ในด้านของศรัทธาท่านก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์แล้วก็ในใจสิกษารวมแล้วก็เรียกว่ามีธรรมได้เห็นแล้วแต่บรรลุแล้วก็คือบรรลุโโดาปฏิผลได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว คำว่าแจ่มแจ้งในที่นี้คือปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไปแล้วหมายความว่าจัดความกุนมัวความเคลือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจความไม่รู้ในธรรมะลงไปได้แต่ว่าไม่ได้หมายความมารู้ทั้งหมดนะฮะอย่างแต่ว่าได้รู้แจ่มแจ้งคือเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ศรัทธาเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ปัญญา ว่าท่านสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศรัทธาจึตไม่มีปัญหาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีทําอันอย่างลงแล้วก็คือว่าธรรมะปรากฏประดิษฐานอยู่ภายในจิตของท่านข้ามความสงสัยได้ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยคือไม่ได้พูดไม่ได้แสดงอาการอะไรจะเห็นว่าไม่แน่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้า คำถามของพระยะบุคคลระดับโสดาบันนั้นจะไม่ถามอะไรในแนวที่เป็นความสงสัยแต่ว่าจะถามในแนวที่ต้องการอยากรู้ต้องการเทียบเคียงความเข้าใจของท่านเองเช่น ในเรื่องหนึ่งท่านมีความรู้เห็นมาอย่างนั้นก็กรกราทูลถามเราพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้าก็จะทรงยอมรับแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะเสียงของบุคคลเหล่าอื่นแล้วก็ใครจะอ้างอย่างไรก็ตามคือไม่เชื่อคำสอนของคนอื่นในคำสอนของภาษาสดา สมมติว่าใครจะกล่าวแผกออกไปจะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่า น, นก็ไม่เชื่อแต่ว่าคนสามัญชนทั่วไปนั้นเพิ่งสังเกตว่าเรามากักจะมีคำการกล่าวอ้างเวลามีการพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเรามากักจะไปพูดว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้ น, นแม้แต่เรื่องหลักๆเรื่องที่เป็นเป็นความรู้ระดับพยาแม่ เราก็ยังมีแสดงอาการหลังเลสงสัยเด็กบอกว่าเอเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ว่าคนเราตายแล้วเกิดเกิดเอ่อตายแล้วก็สูญไปเลยไม่ต้องเกิดอีกหรือว่านิพานเป็นอัตราอะไรอต่างๆมันแสดงถึงความไม่แน่ใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ตัวเองอ่านคําสอนของพุทธเจ้าอยู่แต่ว่า ไปเข้าใจปีกอย่างหนึ่งซึ่งคนที่อยู่ในระดับนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนยท่านจะไม่หวั่นไหวไปตามนั้นเคยมีทาสกะดในทดลองท่านสุปาพุท ธ, ธกุธิหรือชื่อสุปาพุท ธ, ธกุธิทั้งก็เป็นโรคเรื้อนนะเป็นขอทานแล้วก็เป็นโรคเรื้อนด้วย จะได้ความเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าอะไบรรลุมรรผลเป็นมรสดาบันท้าวสก่าต้องการจะทดลองว่าท่านเป็นมันมันมันคงหนักแน่นขนาดไหนจึงได้เอาทองคําบรรทุกมาเต็มเล่มเกวียนบอกว่าให้ท่านปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าประธรรมไม่เป็นประธรรมประทรงไม่เป็นประสงค์แล้วท่านก็จะให้ทองคําตั้งเล่มเกวียน ท่านสุปภาพไม่รับแล้วก็มีนามคำตำหนิเท้าสกะเตวราชที่ไปหาวระท่านจนี่จิงท่านรวยด้วยอริยทรัพย์มีศรัทธาศีลหิทธิโอตปะเป็นต้นหรือว่านางธนัญชานีพรหมนีจะมีบังคับให้แกไม่กล่าวนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อ น, น้าพวกพรามทั้งหลาย แต่แกก็เพ้อกล่าวออกไปสา ม, มีก็กลัวก็จะค่าตายเราดับมาแล้วแก่ก็บอกว่าคุณก็ฆ่าฉันได้เฉพาะร่างกายแต่ฆ่าจิตใจที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่ได้ในทุสา ม, มีเลยไม่ไม่รู้จะทำอะไรกับแกแล้แคนระดับนี้แล้วนี่เป็นอันวางใจได้เลยว่าไม่มีการเปลี่ยนศาสนาไม่มีความ แว่งสับสนแต่ประการใดก็ เ, เรียกว่าถึงกระแสของปัิญาภานมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือจากหมุนวนอยู่ในสังสารวัตอีกก็ไม่เกินจัตชาแต่จึงแต่งจะจึงแสดงไห้เป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าเอกพีชีคือจะเกิดอีกหนึ่งชาติ ประเภทที่สองเรียกว่าโกลังโกละอาจจะเกิดสองชาติสามชาติสีชาติห้าชาติ6ชาติก็ได้อีกประเภทหนึ่งนะเกิดเจ็ดชาติมีเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งนะหมายความว่าไม่เกินเจ็ดชาติจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจะตัดต่อไปว่า ทำมาโลกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำติสุขกันทุดๆชอบถือนี่ก็เป็นการให้การบรรจารุปสมบทในสมัยแรกเรียกว่าเอหิพิกขุุปัสมปทาเอหีพิขุปัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยการเรียกให้เป็นภิกษุมาเติมแล้วท่านผู้นั้นก็เป็นภิกษุไปโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่า ท่านบอกว่านะมีจีวรที่เป็นทิพย์นี่เกิดขึ้นมาข่มร่างกายของท่านแล้วก็ศีรษะที่ผมผมรอยู่ก็หายไปเลยเป็นไปโดยอัตโนมัติตามแรงของบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมบรมไว้แล้วก็เป็นบุญบุญญานุภาพเกื้อนุภาพแห่งบุญ อาจจะเป็นพุทธานุภาพด้วยนะเพราะว่าแม้แต่ยุคต้นๆเนี่ยจากการสังเกตก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เอหิพิคูไปสมถตาตุกบ่งไปบัดองค์ท่านไม่เคยมีบา ร, รมีสร้างสมบรมมาในการบริจาคผักใสจีวรถวายพระภิกษุเลยตลอดภพชาติต่างๆเนี่ยก็ต้องไปหาจีวรมาบวช พระพุธเจ้าจึงจึงจะบวชให้ต้องไปหาจีวนมาเพราะว่าจีวนไม่เกิดด้วยดิ์เนี่ยไปกล่าวอีพิขุไม่ได้คือต้องต้องไปหม่มต้องต้องไปาหาผ้ามาก่อนแล้วคงรับสั่งเป็นอีพิขุนะครับขั้นต่อมาพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานอวาสสั่งสอน ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกาถาเรียกว่าปินกะปกินกะเทศนาก็สอนกันอยู่เรียกว่าบรรลุไปวรรลรูปบรรลุไปบรปปรลุไปพถึงจุดหนึ่งก็ดวงตาเห็นธรรมปราศจากตุลีปราศยากบนดินได้เกิดขึ้นแกันวัปปะและท่านพัทิยะว่า จึงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธนรรมดาท่านาสอสงค์เห็นธรรมแล้วไดบรรลุธรรมแล้วเช่นเดียวกับพระอัญญากคนทัญยัแล้วก็ได้บรรพจาร บ, บสมบทในพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้ารับสั่งให้เป็นภิกษุมาเช่นเดียวกับที่รับสั่งแก่พระัญญาโคนทัญยักษแสดงว่าบรรลุกันมาตามลําดับ เพราะว่าปัญวคีนั้นก็คือะะาาอัญญากุลธัญญาวัปปัฏติยะมานามาอจิครั้งนั้นท่านทั้งสามคือพระอัญญากลุลทัญญาธนวะปะนัปปัตติยะก็ไปเที่ยวบินนอับินทบาตแนามาหารมาถวายและทรงประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุที่เหลือโดยธรรมอกาตาภิกษุเที่ยวไปบินทบาท นำบินทบาตมาได้มาทั้งหกรูปนั้นก็เลี้ยงชีพด้วยบินทบาตนั้นก็ลองเลิกดูภาพการาเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเสี่ยงชีวิตไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวคือว่าคนที่บวชก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไม่รู้จะนอนที่ไหนไม่รู้จะกินที่ไหนไม่รู้จะอาบน้าที่ไหนไม่รู้จะขับถ่ายอย่างไรใดแต่ไหน ก็เรียกว่าไปเสี่ยงเอาทั้งหมดแต่เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ว่าพระองค์สามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้สาเร็จอย่างมากทึ่งการจเจริญเติบโตของพระที่เข้ามาบวชเนี่ยเราจะเห็นว่าดูสถานะแล้วไม่น่าจะอยู่กลางดินกลางสายได้นะแต่ว่าท่านก็อยู่ทังท่านได้เพราะบางคนร่ารวยบางคนเป็นกษัตริย์ีสถานะ สูงส่งแล้วก็มีความสะดวกสบายอยู่ในคาราวานเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งทัาก็มาอยู่ตามโคนไม้ตามถาม้ำตามเขาตามป่าดงพงไพรได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรเรนึกถึงบรรยากาศในประเทศอินเดียนะฮะหรือถ้าเราดูตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วก็ต่อไปก็ถึงฤดูหนาวนะ แถวเดือนตุลาแถวเนี้ยก็นาวแล้วก็นาวไปแถวถึงเดือนกุมภามีนานนะเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็อยู่กับท่านได้เป็นเรื่องที่ถ้าเราคิดแล้วก็อัศจรรย์ทีเดียวเลอภาพผรก็เท่าที่มีนะฮะภาพพรก็เท่าที่นี้ก็สมัยแรกก็มีแค่สองพืนเท่านั้นเองพื้นที่สามเพิ่งมีในตอนหลังพระสังกตินเพิ่งมีในตอนหลัง ขั้นต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้สั่งสอนอีกสองท่าน น, นะฮะดวงดวงตายทาปราตจากรธุลีปราตจักรบนถิ่นได้เกิดขึ้นกับท่านมหานามาตและก็ท่านอันสชชิตเช่นเดียวกันนะฮะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้ น, รร น, น, นปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรม แจ่มแจ้งแล้วมีความมีธรรมมันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้ก ล, กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชาพึงได้อบทสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคประพฤติจ้งข้า อย่างนั้นรุยยาก็รับสั่งให้บวชเป็นผิตุมาก็กตกลงว่ามีพระานเกิดขึ้นในโลกแต่คราวนั้นก็หกลูกทั้งพระพุทธเจ้านะครัพุทเจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนามฤตฐายวันนั่นเองก็ได้แสดงอนัตตลักณสูตนสเป็นแจความว่า ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตากำว่ารูปเป็นอนัตตานั้นก็เป็นการแสดงถึงความจริงระดับที่เรียกว่าปฏิวัติความเชื่อทึ่มีอยู่ในสมัยนั้นแต่ปัญญาวคีนั้นท่านเข้าใจง่ายนะเพราะว่าท่านได้ทํำลายส ก, กิรญาติฐิไปแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนจริงๆแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอราหันต์ได้เท่านั้นเองพอเมื่อแสดงไปแต่ละข้อเนี่ยตอนปัญญบุคีเข้าใจแล้วเมื่อถึงจุดที่พระเจ้ารับสั่งถามทั้งก็ตอบได้ประเด็นที่น่าทําความเข้าใจก็คือว่าประเด็นคำว่าอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นแปลว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตน มันเนื่องจากพวกพราหมณ์ออ ก, ก, ก, สกมม็สอนเรื่องอัตตากันอยู่แม้ความท่าพวกสอนพวกพรามณ์ให้สอนเรื่องอัตตาเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องบัญญัติคําว่าอนัตตาขึ้นมาอนัตตาก็บัญญัติตรงกันข้ามกับอัตตาของพราหมณ์นั่นนนัเองพราหมณ์ก็ถือว่าสรรพชีวิต ท, ทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยมาจากหน่วยใหญ่คือปรมาตามัน แล้วก็มากลายเป็นชีวิตแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าอัตตานะสมัยโบราณเราจะเห็นว่าอาจจะใช้สรรพนามตัวเองเรียกว่าอัตโนแล้วก็อย่างที่พระเรียกว่าอัตมาเนี่ยที่จริงก็เป็นตัวแทนอัตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสมมติเรียกนะฮะสมมติเรียกเป็นสรรพนามเรียกและอัตตาในลักษณะนั้นนี่ยพอถึงจุดหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในสังสารวัฏลำเพ็ญนเพียนทางจิตก็พอจิตบริสุทธิ์ก็เข้าไปรวมกับตัวปรมา ต, ตามันเหมือนเดิมแล้วก็จะอยู่เป็นสุขอย่างนั้นในชั่วนิรันดร์ขอแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีอยู่จริงแต่มีก็เป็นเพียงแต่ว่ามีพรหมบางตนที่ ตันบอมเพ็ญเพียรมาจนบรรลุฌานนะฮะจนบรรลุฌานแล้วก็ไปบังเกิดในรูปพระพรมแล้วเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันเพราะยุคพรมมา น, นานมากนานก็เล่นกันเป็นแสนปีเป็นไม่รุษกี่ปีนะฮะนับปีเราก็นับกันมหาศาลเนพะราะอายุนานๆอย่างเงี้ยมัน มันเหมือนกับเราเกิดมาสมมติเราเกิดมาแล้วเราไปเห็นภูเขาอีมาลัยต่อมาเราตายไปหมุนบนไปเอาสักหมื่นชาตินึงเนี่ยก็ยังเห็นภูเขาอีมาลายอยู่ก็เข้าใจภูเขาอีมาลายเทียงแท้แน่นอนยังยืดไม่แปรผันแต่จริงภูเขาอีมาลัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า ระยะเวลามันยังสั้นอยู่เท่านั้นเองถึงเงียงการสลายไปของผู้คอยมาลัยไม่ได้แต่สมมติเราอีกมืนชาติเนี่ยผู้คอยมาลลยก็คงจะเตี้ยลงลยนะฮะคงจะเตี้ยลงแล้วก็สึกกร่อนผูพังไปเยอะถึงจุดหนึ่งก็อาจจะหมดไป ของที่เที่ยงแท้ยั่งยืนถึงไม่มีโดยธรรมชาติแม้แต่โลกเองมันก็ต้องถึงคราวแตกทำลายไปในโอกาสใดอโอกาสหนึ่งซึ่งก็คงจะอีกหลายล้านปีนะแลก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราไม่สามารถบังคับให้ชีวิตตั้งกายเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นตามที่เราต้องการได้ แล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาดังกล่าวแล้วคือไม่มีอัตตาในลักษณะอย่างนั้นแต่การไปเกิดแล้วก็อยู่นานๆเนี่ยมันมีโดยธรรมชาติมันมีมาก่อนสมัยบุตการสมัยบุต ก, การไม่ได้สอนเพื่อให้ไปเกิดนะสอนเพื่อให้ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปในผลสูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นการที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแล้วก็ เมื่อเราย่อยออกไปแล้วเนี่ยฮะย่อยไปแล้วในร่างกายของเราเนี่ยว่าประกอบด้วยส่วนใหญ่ใหญ่อยู่สองส่วนก็คือกายกับจิตแล้วกายกับจิตนี่พอแยกออกไปอีกที่หนึ่งก็กลายเป็นรูปกายก็กลายเป็นรูปอันนั้นก็กลายเป็นเมตนาธัญญาตังขานวิญญาณแล้วพอย่อยไปย่อยไ ป, ย, ย, ไปย่อยไปเนี่ยทั้งส่วนรูปก็เป็นอนุปรมัมมโนไป ส่วนานามก็ย่อยไปก็ก็หายไปเพราะว่าแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะเมื่อเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับเขาก็ดับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอัตราตัวตนที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มก็เรียกคณะสัญญาคือการกำหนดหมายในความเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วเราก็ไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนที่ทาวรยั่งยืนไม่แปรผัน ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นหรือประการหนึ 1, ่งก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรอย่างแท้จริงเราอาจจะพูดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเราไอ้นั่นของเราอันนั้นของเราอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปเป็นการการบ่นเพอ้อไปเฉยๆพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงสักอย่างเดียว ในที่สุดเราต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปดังนั้นที่ตัางกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไ น, นจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเมือนเจ้ามาแสดงเห็นว่าเอาก็จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างแม้แต่ตัวเรายังไม่เป็นของเรา นัประสาอะไรก็ของนอกกายแต่จะมันจะเป็นของเราได้นี่ก็คือความเป็นนันตาในความหมายทางพระพุทธศาสนาหมายความว่ามันตรงกันข้ามกับอัตตาความเชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวกับอัตตาเนี่ยอธิบายว่ายังไงไม่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างแท้จริงมีโดยสมมติบัญญัติมีโดยการเวลาระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีได้นะในในแนวสมมติมันนีไม่ได้แต่ในแนว ของตัวตนท่ตาวรยั่งยืนอย่างที่เขอธิบายไว้เนี่ยมันไม่มีอยู่อย่างแท้จริงเพราะนั้นดันึงกล่าวว่ารูปนี้เป็นอนัตตาแต่คำว่ารูปเองก็ยังมีนัยยะที่น่าศึกษาแล้วก็วิจิตพิสดารออกไปเป็นนั้นมากเช่นเดียวกันจนแสดงไว้ถึงรูปยี่สิบแปดเป็นมาภูต ร, รูปสี่เป็นอุปาตาายรูปยี่สิบสี่ และพวกรูปเหล่านั้นเองก็ยังย่อยออกไปได้อีกจนในที่สุดมันก็ไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นตัวตนของเราดังที่กล่าวนั่นเองต้องฟังทั้หลายแต้รมัพพติยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี